พฤษภาคมพุทธศักราช2557วันนี้เป็นวันพระแรม15ค่ำเดือน6เดือน6ดับพวกเราฟังพระปฏิโมกจบลงสักครูน่นี้คือเราฟังเรื่องศีลและวิยัยวิยัยวิยัย กฎระเบียบกฎหมายกฎหมายพระที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติในครั้งพุทธการแต่ก่อนที่จะบัญญัติวินยัยมีผู้กระทําผิดแล้วจึงบัญญัติวินยัยแต่ละสิกขาบทในพระไตรปิฎกเราจะรู้ได้ว่าแต่ละสิกขาบทเนี่ยที่พวกเราสวดลงจบลงสักครู่นี้ตั้งแต่ปาราชิกข้อที่หนึ่ง จนถึงสังคาทิเสษอนยศนิตกิยปาจิตี30สสรุปแล้วก็คือ227ข้อเนี่ยมีที่ไปที่มาบัญญัติในเมืองไหนภิกษุกลุ่มไหนการกระทาภิกษุเหล่านั้นมีเจตนาอย่างไรแล้วก็มีผู้ไปนำไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกสง์มาพร้อมกัน อย่างนั้นก็บัญญัติวินัยแต่ก็น่าบูชาน่าบูชาน้ําใจพระในครั้งพุทธการในเมื่อพระพุทธเจ้าห้ามหรือบัญญัติวินัยแล้วทุกองค์เคารพจะไม่ล่วงละเมิดอีกองค์ที่กระทําผิดแปลว่าจบไม่ทําอีกแปลว่าไม่รู้จริงๆริงคือไม่มีเจตนาที่จะทําสิ่งนั้นแล้วก็ในเมื่อทําผิดลงไปแล้ว เมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวินัยพระสงฆ์ทุกโรกก็ต้องให้ความเคารพในวินัยหรือว่ากฎที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไปแล้วนั้นอันนี้ถ้านะนึกดูแล้วก็หน้าบูชาน้าใจอย่างถ้าพวกเราได้ศึกษาในพระวินัยอ่านในพระไตรปิฎกเรื่องสัพพวคีเรื่องสัพวสพวคีพวโคกเนะ่ย ที่บัญญัติวินัยมากที่สุดที่ผมได้ศึกษานะแต่ท่านเหล่านั้นก็น่าน่านบูชาน้ําใจอย่างที่ว่าเหมือนกันเมื่อพระพุทธเจ้าบัญญัติสิ่งไหนแล้วก็หยุดไม่ทําสิ่งนั้นแล้วก็ทําสิ่งอื่นอีกทําสิ่งอื่นพอทำสิ่งอื่บัญญัติทําสิ่งอื่นอีกดูๆแล้วก็น้าบูชาน้ําใจคืออะไร ค, คือตรงที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วจะไม่ทําอีก เคารพในพระพุทธเจา้าแต่ไปทําตรงอื่นที่พระพุทธเจา้าที่ยังไม่ได้บัญญัติไม่ได้ห้ามพอพระสงฆ์ทั้งหลายว่าภิกษุทําอย่างนั้นท่านก็หยุดนะอย่างรองเท้าเนีย่ยพวกเราได้ศึกษารองเท้าในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าบัญญัติไม่ไม่ไม่ไม่ให้ใส่รองเท้าต่อมาพระเดินทางไกลจําเป็นจะต้องได้ใส่ อางนี้ะตอนนี้พระสั ป, ประวคีก็เ น, นี่แหละพอได้ใส่รองเท้าประดับรองเท้าให้หัวมันแงนเหมือนกับเขาแพะหัวมันงอนอจากนั้นก็มีใส่ใค่ายไปหุ้มจนถึงสนสนเท้าพระพุทธองค์ก็บัญญตัติเพราะว่าตะขาบแมลงป่องมันอยู่ในรองเท้ามันต่อยอกัดพระต่อยพระ ห้ามไม่ให้ใส่มีการสวมห้ามเอกประดับของสวยงามประดับด้วยขนนกยุงขนนกเา้าประดับใส่รองเท้าเหมือนกับคารวดบัญญัติอีกบัญญัติสีเอกต่อมาเป็นรองเท้าไม้เอกเป็นรองเท้าแกะตอนจวนสว่างพระเดินไปไหนก็กล้ากกลกระทบกับหินกระทบกับคอน เห็นที่ปูพื้น เ, เวลานั่งภาวนาพระพุทธเจ้าว่าภิกษุใส่แกะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปห้ามภิกษุใส่รองเท้าไม้เท้าองค์ไหนใสป่ปรับอปัททุกฏอย่างนี้แหละอันนี้คือถ้าเราได้ศึกษ า, าในหลักพระธรรมวินัยได้กฎเกณฑ์ในกลางพุทธกาลเราจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้า พร้อมกับพระสงฆ์ในยุคสมัยนั้นละเอียดอ่อนในหลักพระธรรมวินัยเพราะนั้นมาถึงยุคของเราเนี่เราก็ต้องศึกษาดูว่าอันไหนควรมิควรอย่างไรทีนี้เราก็ถือกันมาแบบง่ายๆเลยเพราะครูบาอาจารย์พาดำเนินเข้ามาแล้วก็เห็นครูบาอาจารย์ทำยังไงใส่ยังไงสีอะไรอย่างพ้า แล้ก็ปฏิบัติตนอย่างไรแต่บางครั้งก็ออกนอกรูนอกทางบ้างแต่ครูบาอาจารย์ผู้ใส่ใจก็ต้องแนะนําบอกกล่าวว่าอันนี้มันผิดวินัยนะพระลูกพระหลานน้องลุงทั้งหลายนะอย่าไปทําแต่บางองค์คนพอบอกห้ามไปแล้วก็ยังมีที่รับที่แจ้งอันนั้นช่วยไม่ได้นะเอาไปดื้อด้า น, นดื้อด้านต่อหลักพระธรรมวินัยบางทีก็พระบางองค์ก็เห็นแก่ปากแก่ท้อง อย่างเนี้ยอย่างที่ว่าไม่ให้ฉันในเวลาพิการอย่างนี้ยไม่ให้ฉันนมฉันอะไรในเวลาพิการเป็นอาหารอย่างนี้ยในบางองค์ก็รู้รู้ทั้งรู้แต่ทําทําลงไปในทําลงไปอันนั้นจะทำยังไงดื้อด้านดื้อด้านต่อหลักพระธรรมวินยัยถึงจะเข้ามาอยู่ในหลักทําคําสอนของพระพุทธเจ้ากับไม่ปฏิบัติตามหลักธทำคําสอนของ พระพุทธเจ้าอันนั้นจารจะว่าว่ายังไงในหลักพระวินัยท่านว่าอรัชิตาผู้ไม่มีอรัชีถ้าเราพูดเป็นภาษาเราอรัชีพระอรัชีแต่ไทยในพระวินัยอรัชิตาแปลว่าผู้ไม่มีอย่างอายผู้ไม่มีฮิริโอตตปะต่อหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้ ปฏิบัติตนอย่างนี้แต่พวกเราเข้ามาทำาล่วงเกินต่อหลักพระธรรมวินัยเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ อ, อย่าถึงรู้แล้วว่าอันนี้มันผิดนะอย่าไปทำพอทาไปแล้วก็ไม่เป็นมงคลของตนเองเรานึกคิดขึ้นมาย้อนหลังเมื่อไรเราก็ไม่สบายใจเพลายเพราะเราไม่น่าทำ ในช่วงนั้นปา ร, รู้ทางรู้เา่ทาทาไมจึงไปทาอันนี้แหละอยากจะให้พวกเราสานึกไว้ในใจเสมอว่าสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าห้ามครูบาอาจารย์ห้ามแล้วอย่าไปทาถ้าขืนทาลงไปแปลว่าเร า, เาไม่อยู่ในหลักพระธรรมใดๆไม่เป็นสากยบุตรไม่เป็นพุทธชินนรสไม่เป็นบุตรของพระพุทธเจ้า เป็นบุตรนอกครอบเป็นบุตรเหลือขอเป็นพระอริชิตาผู้ไม่มีอย่างอายแต่หลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเองอย่างหลวงปู่มั่ น, นต้นตระกูลของเราท่านบอกว่าเรื่องศีลและวินยัยอย่าไปมองข้ามนะพาลูกพาหลานทาั้งหลายเพราะว่าศีลและวินัยนี่แหละเป็นเครื่องขัดเกล่์ กายวาจาใจของเราคือกายคือการกระทำวาจาคือคำพูดศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยในเมื่อใจของเรามีข้อห้ามการกระทำของเราไม่ทำถึงจะคิดแล้วก็ไม่ทำไม่ได้เพราะว่าวินัยศีลและวินัยห้ามจะพูดก็พูดไม่ได้เพราะศีลและวินัยท่านห้ามไม่ให้พูดอย่างนี้น่แหละ ในเมื่อใจของเราไม่ได้ออกทางกายทางวาจ า, างดเว้นในทางกายทางวาจาใจของเราก็ไม่มีโทษไม่กระเพื่อมไม่เดือดร้อนไม่ทำให้คนอื่นโมโหโกธาผูกพยาบาทอาฆาตกับเราและไม่ทะเลาะเบาแว้กกับใครพูดง่ายง่เพราะเราไม่ได้พูดไปในทางที่ไม่ถูกต้อง การกระทำที่ไม่ถูกต้องในเมื่อเราทำเรือพูดไม่ถูกต้องพระหมู่พกเพื่อนคณะศรัทธาญาติโยมเห็นการพูดการกระทำของเราเขาก็ต่อต้านในเมื่อเขาต่อต้านเขาแสดงอากัปกริยาเผยเผอเขาจะเล่นงานกับเราเรื่องนั้ น, น, นเรื่องหนักหรือเบาเราจะมาภาวนาอะไรจะมานั่งภาวนา ใจของเราจะสงบไหมเนี่ยใจมันไม่สงบเลยนี้เพราะมันวิตกกังวลในเรื่องที่เราพูดและเราทำไปนั้นทําให้คนอื่นเดือดร้อนทำให้คนอื่นไม่สบายใจทำให้คนอื่นต่อต้านแ ก, แก้แค้นเราพูดง่ายๆแก้ลําเราอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่มั่นท่านว่าอย่าทำเน้ออย่าให้ทำให้ผิดวิ น, ยนัยเน้อพระลูกพระหลานศีลและวินัยของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้ดีแล้วนี้ถึงจะเป็นของเล็กน้อยก็ให้เคารพให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยอย่าไปกล้ำเกินอย่าไปล่วงเกินหลักพระธรรมวินัยเหมือนกับผงทุปีนั่นแหะท่าผงทุปีนะ่ะคือเราจะจะมองหาอัธยาธรรมหาศีลหาธรรม แต่ว่าผงธลีมันเข้าตาเราเอ่อมันถงธลีเกะของอาบัตเล็กๆน้อยๆ น, ยนะมันเข้าตาทําให้ตาของเราฟ้าวฟางมองไม่เห็นสัจธรรมคือของจริงถ้าหาว่าพวกเราขอนยุงขอนยางของสิ่งใหญ่มันไม่เข้าแต่เราเห็นเราหลบได้แต่ผงธลีมันเข้าตาและทําให้ตาของเราฟ้าวฟางฟ้าวฟางมองไม่เห็นสัจธรรมที่ของละเอียดยในจิตใจ พะนัขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอันนี้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ท่านยังให้รบเคารพศีลและวินัยศีลและวินัยพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไปอีกนะศีลและวินัยพวกท่านทั้งหลายเคารพศีลและวินัยศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นนะ ถ้าพวกเรามีศีลและวินัยคุ้มครองอยู่ในกฎระเบียบอยู่พระก็ต้องมองดูแล้วก็สวยงามมีผ้ากาลสาวพั์มีผ้าเหลืองมีศีรษะโค้นมียูนิฟอร์มอย่างนี้ถ้ามียูนิฟอร์มอย่างนี้รักษาศีลตามหลักพระธรรมวินัยนานเท่าไหร่ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนปีสืบทอดไปเรื่อยๆศาสนาของพระพุทธเจ้าก็สืสบทอดไปแต่ถ้าว่า ศีลและวินัยหมดไปจากชุมชนจากโลกพระไม่มียูนิฟอร์มนี้นพระไม่ปองผมไม่มีนุ่งห่มผ้ากาสาวัติแปลว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าก็หมดเหมือนกันเนี่ยอย้พวกเราทุกทุกท่านนะพวกเรามาตดบพบได้เจอพุทธศาสนา ในเกิดรักธรรมคําสอนของพุทธเจ้าเราให้ศึกษาเถอะนศึกษาตามหลักธรรมคําสอนในเมื่อศึกษาแล้วกัปฏิบัติตามในเมื่อปฏิบัติตามแล้วพวกเราจับแต่รับความสงบพรมเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจเมื่อศีลและวินยัยกายวาจาของเราไม่มีโทษแล้วเนีเราจะนั่งภาวนาที่ไหนในมุมสงบเราก็ไม่จิตใจของเราไม่พิถกกังวล ไม่สงสัยไปออกไปข้างนอกอใจของเราก็เข้าสู่ความสงบได้เพราะศีลเป็นรู้กัน้นทางจิตใจของเราแต่พวกเราคิดดูสิถ้าไปทะเลาะกับพระองค์ใดองค์หนึ่งไปทะเลาะกันหมาดๆอยไม่เข้าใจกันพูดให้กันเสร็จแล้วไปนั่งภาวนาดูสิมันใจยัง ไ, ไงไปยังไงมันร้อนอยู่วูบวักวูบวักวะอะถึงเราจะถูกก็เถอะอถึงเราจะถูกแต่ไปด่าให้เขาเข้า แต่เขาก็ไม่พอใจทําไมท่านจังมาด่าให้ผมผมผิดกูจริงอยู่แต่ท่านก็น่าจะพูดให้สุภาพกว่านี้ท่านทำไมพูดอย่างนี้ใช้อารมณ์พูดอย่างนี้นะก็เพียงแค่นี้แต่ะไปนั่งภาวนาดูสิอมืมันนั่งภาวนาไม่ลงล่ะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอในอารมณ์ของของเราเพราะเราเราต้องมองมองกันมองอยู่การอยู่ด้วยกันต้องมองกันด้วยเหตุด้วยผล เพราะคนเราพระเนนของเราเนี่ยตั้งสามสิบกว่าเกือบสี่สิบลูกเนี่ยจะให้เสมอการเป็นไปไม่ได้ความรู้ก็ไม่เหมือนกันชาติตะกูลก็ไม่เหมือนกันการเป็นอยู่การศึกษาตระกูลวลกการการเป็นอยู่ที่พวกเราเข้ามาอยู่ สูงวัดวาศาสนาเนี่ยมันแปลกแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องคฆะกันในเมื่อคละกันอย่างนี้แล้วนะเราจะให้มันเป็นเหมือนกันทั้งหมดขนาดนักเรียนอยู่ชั้นเดียวกันก็นยังไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องมาปฏิบัติจิตภาวนาถึงขนาดนี้แล้วเราจึงไม่รู้ไม่รู้เรื่องของคนไม่รู้เรื่องของหมู่เพื่อนไม่รู้เรื่องของพระอ่าแล้ว เราจะทํำยังไงเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอย่างผมเหมือนกันแต่ผมบางทีรู้ว่าเป็นยังไงแต่หน้าที่ของผมจะต้องดุดาว่ากล่าวให้หมู่พวกเพื่อนเข้าไปสู่หลักพระธรรมวินยัยถ้าผมไม่ดุดาว่ากล่าวแล้วใครเราจะเป็นคนพูดเลยพวกท่านท่านหลายเข้ามาเพื่ออะไรเข้ามาเพื่อการศึกษา เพื่อหาความรู้เพื่อปฏิบัติหาทางพ้นทุกข์อย่างน้อยก็มารักษาศีลมารักษาศีลรักษาธรรมในการบวชในคราวนี้ครั้งนี้เพื่อแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจนี่แหละอันที้เมื่อเมื่อแสวงหาอย่างนั้นแล้วน่ยถ้าเราเข้ามาไม่ได้รับการศึกษาเป็นยังไงอยู่แบบเด่นเด่นดันดันไม่ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอน พวกเราคิดดูที่ว่าจะเฉลียวฉลาดจะรอบรู้รายไหมฮคงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าการสั่งสอนบางครั้งก็ทําให้ไม่สบายใจบ้างผู้ฟังแต่ผู้หลวงพ่อเองก็เหมือนกันบางทีก็ไม่อยากจะพูดในเรื่องนั้นแต่ดูบุดูแล้วไม่พูดไม่ได้ฮจําเป็นจะต้องได้พูดแต่เมื่อพูดไปแล้วก็นั่นแปลว่าแนะนําบอกกล่าวอย่าให้มีอีกในเรื่องนั้น สิ่งเหล่านี้พอให้พวกเราทุกท่านเข้ามาเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้าตาให้ดูหูให้ฟังใจให้สำเนียดนึกคิดถ้าหาว่าไม่เข้าใจให้ถามาให้ถามถามครูบาอาจารย์หมู่พเพื่อนอหรือมีความข้องใจตรงไห น, นให้ถาม อ, าอย่าไปคิดทำโดยพระการหรือว่าทา ตามใจตัวเองชอบโดยมากใจของเรามันจะชอบไปในทางกีเลสโลภโกรธหลงเป็นส่วนมากเพราะนั้นวันนี้เป็นวันอุโบสถต้องพูดเรื่องกฎระเบียบวินยัยให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษ า, าตอนนี่อไปสวดท้ายพระปฏิโมกข์แล้วที่นี้นะ